ทรงอนุญาตให้เก็บรัตนาได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับพิสูุทั้งหลายว่าพิสูจนทั้งหลายเราอนุญาตให้เก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนะหรือของที่สมมุติว่าเป็นรัตนาะไวในวัดที่อยู่แล้วรักษาไวา้ได้ตั้งใจว่าเจ้าของจะรับคืนไปแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้